ร่างพอสั่งร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแกวเลอเลอิศ ล, ล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกองล่าเรืองสกุลก็ขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมสส่สันติอยู่ในขณะนี้ วันนี้รายการธรรมส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขึ้นต้นด้วยบทประพันธ์ปริศนาธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทเสโรซึ่งท่านได้ประพันธ์ไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในหมู่สิทษยานุสิตก็ได้นำปริศนาธรรมนั้นออกมาเผยแพร่อยู่เป็นประจำ สำหรับวันนี้อาตมาก็จะได้นำเสนอธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งแสดงค้างไว้จากคราที่แล้วในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายอันจะเป็น บ่อเกิดปัญญาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติและบุญบารมีที่แต่ละท่านสั่งสมอบรมมาแล้วก็จะได้ดำเนินไปสู่ผลทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นบรมสุขคือมรรค น, นิพพานนั่นเองขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังพร้อมๆกัน สมาธิจิตเมื่อไปตั้งมั่นถูกตรงกลางกำเนิดพาดทมเดิมหยุดนิ่งถูกส่วนเับเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นเมื่อได้เจริญดวงในดวงละเอียดเข้าไปจนถึงธรรมกายเป็นธรรมในธรรมละเอียดเข้าไปจนถึงกายในกายสุดละเอียดถึงธรรมกายแล้ว ย้อนกลับมาพิจารณาอีกทีก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมต่างๆได้ชัดแจ้งเป็นขั้นเป็นตอนไปในการพิจารณานี้เองที่เรียกว่าวิปัสนาจิตนิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสนาจิตเพราะการทําวิปัสนาย่อมมีนิมิตเป็นเหตุเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณา ถ้าไม่มีนิมิตแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิเสธนิมิตก็เหมือนคนที่คิดจะยิงจรวดไปนอกโลกโดยไม่สร้างฐานไม่สร้างตัวจรวดจะสร้างแต่หัวจรวดอย่างเดียวมันจะไปได้อย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ววิชาธรรมกายมันการปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายกระผมว่า หรือพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อถึงจุดนี้คงพอเข้าใจว่าเป็นไปในแนวทางแห่งพระสัตธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ครับกระผมก็เลยจะสรุปว่าปฏิบัติภาวนาตามแนววิชาธรรมกายไม่ใช่เป็นเรื่องนอกเรื่อง หรือเป็นลัทธิอื่นใดแต่เป็นพระพุทธวจนะตามพระพุทธวจนะข้อนี้พระเถรมหาเถระผู้ใหญ่ก็ได้กล่าวยืนยันเอาไว้นับตั้งแต่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระอุปชาของกระผม คือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ลหลวงพ่อวัดสามพยาได้กล่าวว่าธรรมกายนของจริงในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่สูงเป็นธรรมเบื้องสูงนี่ยืนยันอย่างนั้นและก็มาถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีก็ยืนยันว่าธรรมกายนั่นแหละของจริงในพระพุทธศาสนาและก็เป็นของสูงด้วย นะฮะแต่ก่อนจะถึงของสูงก็ต้องคลานไปตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละสัมมารหังตรึกนึกให้เห็นดวงใสใจอยู่ในการดวงที่ใสนั่นแหละนี่เป็นส่วนแห่งส ม, มถะดำเนินไปสู่วิปัสสนาแล้วก็สุดท้ายก็จเจริญส ม, มถะและวิปัสสนาคู่กันด้วยประกาศนี้นะครับ กระผมก็เลยจบเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในสภาวะที่พอเหมาะๆเดินยืนนั่งนอนนะฮะตรึกนึกเห็นดวงแก้วกลมใสใจในกลางของกลางดวงที่ใสไว้เสมอ เดินยืนนั่งนอนลืมตาหลับตาแล้วก็จะดีเองดีเองนะฮะเมื่อดีเองแล้วจะเข้าใจเรื่องราวที่กระผมได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างมากในบัดนี้ก็มีผู้ที่ปฏิบัติ ได้ผลดีขึ้นดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะที่แก่กล้าก็มีที่ปันกลางก็มีที่ยังอ่อนอยู่ก็มีแต่ทุกท่านดำเนินหน้าที่ของเราของแต่ละคนไปก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวสัทุชนได้รับฟังธรรมบัญญายจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณจบไปนั้นในเรื่องศีลสมาธิ และปัญญาทางดำเนินไปสู่มรุณนิพพานสำหรับช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอาตมภาพขอเชิญสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาธรรมชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการดำเนินตาม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าละความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสดังมีพระบาลีรับรองว่าสัพพปาปัสสะอัการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุสลสูปรสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อม สกิตะปริโยธปนังการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานศสาสนังนี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายและในข้อสุดท้ายว่าสกิตตะปริโยธปนังนี้แหละคือการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้ปราศจากอุปทวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งมวล อันจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมณภายในอย่างสมบูรณ์จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจนั่งในท่าัสมาธิคือเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ขวาให้จดหัวแม่มือด้านซ้าย ตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงคือไม่เผลอสติแล้วปล่อยกายตามสบายไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆของร่างกายต่อจากนี้ไปให้สาธุชนกาหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสอย่างเล็กเท่าลูกตาดำของเราแต่ใสเหมือนเพชรรูกที่เจรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตา ให้นึกเห็นด้วยใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตและให้นึกท่องในใจว่าสัมมาอระหังสัมมาอะระหังสัมมาอระหังในใจอยู่ตรงกลางท้องของเราศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือของแต่ละท่านแล้วมาตั้งใจปฏิบัติตามเสียงของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ที่จะให้คําแนะนำต่อไปนัจจุบันสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่เห็นดวงเห็นกายเมื่อรู้ฐานที่ตั้งของใจตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเอาใจไปจดนิ่งที่นั่นวิธีที่ใจจะไปจดนิ่งได้ดีคือเหลือตากลับนิด โดยไม่ต้องแงนหน้าขึ้นหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสซึ่งเป็นที่ตั้งของกำเนิดธาตุธมเดิมตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านอาจจะนึกได้บางท่านนึกไม่ได้วิธีทำใจให้นึกได้ ในขณะที่เราหายใจเข้าออกลึกๆตามสบายนะั้นนึกให้เห็นเส้นตรงสีขาวใสสองเส้นตัดกันเส้นหนึ่งลากจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือประมาณสองนิ้วมือไปจดข้างหลังอีกเส้นหนึ่งจากกึงกลางสีข้างขวาไปจดกึงกลางสีข้างซ้ายจุดตัดกันนั่นแหละ ตรงที่เราหายใจเข้าออกผ่านพอดีนั่นคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยลงไปอีกเพียงสองนิ้วมือเป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นต้นทางลมหายใจเข้าออกตรงระดับสะดือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกใจจะเกิดดับอยู่ระหว่างสองฐานนี่แหละแต่เราหยุดนิ่งกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นสาคัญ ต่อไปนี้ไม่ต้องขลาดเคลื่อนไปไหนทำใจให้ปรุงเบาตั้งสติให้มีหน้ารอบในขณะที่นึกเห็นจุดเล็กใสยนั้นท่านลองนึกให้เห็นไปได้ด้วยใจทั้งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเป็นนัศมีเท่าเทียมกันโดยรอบ เสมือนหนึ่งกายเราเป็นกายแก้วนั่งอยู่ในดวงแก้วกลมใสดวงใหญ่ลองนึกสำนองนั้นพร้อมกับ น, นึกอารัธนาคุณพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นมาปรากฏในใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พอตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเราก็ น, นึกหยุดนิ่ง กลางจุดเล็กใสตั้งสติไว้นั่นเลยทีเดียวตั้งสติไว้เลยทีเดียวทำใจให้โปร่งเบาโล่งสว่างกว้างเท่าที่ทำได้เหมือนเราเป็นกายแก้วอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็นึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขึ้นในท้องศูนย์กลางดวงแก้วอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิม นึกให้เห็นใสทีเดียวบางท่านนึกเห็นดวงแก้วพอนึกได้นึกเห็นจุดเล็กใสนึกไม่ได้ไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่ต้องบังคับบางท่านนึกเห็นจุดได้แต่ยังไม่เห็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรดวงแก้วนึกเห็นได้จะนำไปสู่ความรวม หรือใจอันประกอบด้วยดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้รวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเห็นจุดเล็กใสได้ก็แปลว่าเห็นจำคิดรู้ค่อยไปรวมหยุดแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่เรียกว่าบริกรรมมิมิตรนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใส แล้วก็ท่องในใจชื่อว่าบริกรรมภาวนาสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังให้ใจดิ่งอยู่ที่กลางของกลางจุดเล็กใสนึกให้เห็นไว้เรื่อยเท่าที่นึกได้ไม่ต้องบังคับแรงเบาๆแล้วลงไปเองสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังมีสติรู้อยู่เฝ้าดูใจอย่าให้กิเลสที่วอเข้ามาปรากฏพึงกำจัดด้วย อารมณ์วิตกวิจารณ์ติดตรองประคองนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันตลอดเวลาเมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันปี ต, ต, ติและสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นเอกัคตารมณ์ก็จะเกิดแล้วก็นั่นแหละดวงใสแจ่มจะปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วนั่นปฐมฌาน นี่เอาอย่างนี้นะไม่ต้องนึกไม่ต้องวาดวิตกอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องห่วงใหญ่อะไรทั้งนั้นต่อแต่นี้ไปสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสท่องในใจไปเรื่อยให้ต่อเนื่องกันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่ขาดสายไม่ช้าใจ จะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นดวงพระธมะมศรีสว่างปรากฏขึ้นอันนี้ของจริงเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจสว่างบางคนสว่างมากบางคนสว่างน้อยเห็นแล้วนึกอย่างเดียวนึกเข้าไปเห็นจมัมมัดนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางดวงใสสว่างนั้นนั่นแหละคือ อุบายวิธีจะทำใจให้หยุดเห็นจําคิดรู้ก็จะไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันยิ่งขึ้นนึกเขาไปเห็นหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางจุดเล็กใสนะเบาๆไม่ต้องแรงมึง่งถูกส่วนศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะเกิดขึ้นเราก็จี้ใจของเราไปท่านหยุดในหยุดกลางของหยุด กลางของกลางดวงใสสว่างดวงใหม่เรื่อยไปทีละดวงละดวงใสละเอียดไปสุดละเอียดห้าหกดวงเป็นอย่างน้อยถึงวิมุตติยานทัศนะศูนย์กลางขยายออกจะเห็นกายในกายณภ า, ายในของเราตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนเราแต่ขาวใสสวยละเอียดประนีตกว่าหรือเห็นกายธรรม เหมือนพระปฏติมากรเกศดอกบัวตูมขาวใสบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเราเห็นกายละเอียดกายใดยปรากฏขึ้นหลักสําคัญมีนิดเดียวนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายละเอียดนั้นพร้อมกับนึกดับหยาบไปหาละเอียดทิ้งความรู้สึกอันเนื่องโดยกายหยาบเข้าไปเป็นสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดเลย เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายจะเห็นดวงในดวงอีกต่อไปที่นี้เริ่มง่ายขึ้นละเราจดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดทุ่มความรู้สึกไปให้เห็นใสละเอียดหมดทั้งดวงทั้งกายและจะปรากฏองค์ชานปรากฏขึ้นเหมือนประหลอดวัดอุณภูมิมีลักษณะเป็นแผ่นกลมขาวใสหนาะประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายละเอียดมีประจาทุกกาย จากกายมนุษย์ละเอียดไปจนสุดละเอียดเป็นเป็นแผ่นใสๆหนาะประมาณหนึ่งฝ่ามือเต็มหน้าตากพอดีเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงใสละเอียดใสละเอียดไปสุดละเอียดศูนย์กลางจะขยายออกกายละเอียดอื่นๆได้แก่กายคิดทิดละเอียดพรหมพรหมละเอียดอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดไปถึงกายธรรม จะปรากฏขึ้นทีละกายทีละกายโดยในเดียวกันเราก็ดักยาบไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดนั้นที่ปรากฏขึ้นใหม่นั้นจะโตใหญ่ใสละเอียดยิ่งกว่ากันไปตามลำดับทีละกายทีละกายเราก็โตใหญ่ใสละเอียดไปตามกายยาลังเลสงสัยเพราะความลังเลงสงสัยเป็นอุ ป, ปกิเลส ข, ของสมาธิ นับหยากไปหาละเอียดเรื่อยไปหยุดในหยุดกลางของหยุดเรื่อยไปนะทุกท่านทำหน้าที่ของท่านไปอธิษฐานรวมบุญกุศลที่ได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันน้อมบูชาแดกคุณพระพุทธเจ้าพระสัมมาจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชประโดยเฉพาะอย่างยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วตั้งจิตติิฐานขอกุศลผลบุญนี้จงมารวมเป็นตะบะเดชะพระวะปัป จ, จัยจพระคับประคองใจเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสิวรนให้มีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมให้ปราศจากอุปสรรคอุปัตตวันตรายทั้งปวงที่มากระทบกระเทือนการศึกษาปฏิบัติธรรมของเราให้ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายเป็นพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้ว พร้อมด้วยวิชาและจรณะตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพานทั้งนิพานถอดกายและนิพานเป็นอุทิศส่วนกุศลผ ล, ลบุญไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายมีคุณบิดามารดาคุณครูอุป ช, ชากาอาจารย์และญาติมิตรปูย่ย่าตายายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพ ร, ะ, าราะพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า มนุษย์เพื่อนร่วมโลกอื่นทั้งหลายและอามนุษย์ทั้งเทพยาดาพรหมอรุปพรมทั้งหลายเปรตสัตว์โลกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนเมืม่อรับรู้โดยยานวิถีใดจงอนุมโมทนาบุญเอาเมืม่อรับรู้ไม่ได้เราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรมวิหารไปรยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอกุศลพระบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากเขตแห่งความทุกข์ ถึงพร้อมด้เหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทําใจให้ใสสะอาดบริบสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ ม, ตมีมรรคสี่ผลสี่และนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทื่นนิพานะปัจจโยโหตุ สัพเพพุทธาภลปักตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนรักขันพันธามิสัพโสเตอัตตะทาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาโหธาสหัสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตสาทุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดจพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้โดยการนำเสนอ ของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธ e ิคุณเพื um, ่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักของการประพฤติปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อชาระจิตใจขัดเกลาใจของเราที่หมกมุ่นอยู่ในกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในการดาเนินชีวิตประจําวันนั้นย่อมจะเจอกับสภาพอารมณ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวย ต่อการทำให้จิตใจของเราขุนมัวไม่ผ่องใสและในโอกาสอย่างนี้เราได้มาฝึกทำใจของเราให้หมดจดจากกิเลสอย่างน้อยเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็จะทำใจของเราให้แจ่มใสเบิกบานด้วยธรรมะด้วยพุทธธรรมซึ่งก็สาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วและที่สำคัญเมื่อสาธุชนฝึกปฏิบัติแล้ว จำหลักวิธีการของการปฏิบัติได้แล้วก็จงมันมีสติพิจารณาถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเนืองๆและมั่นปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจของตนอยู่เสมอๆคุณความดีหรือบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นและเมื่อจิตที่เราฝึกดีแล้วนั้นจะมีอนุภาพอย่างหนึ่งคือเมื่อเรามีปัญหาอะไร เข้ามากระทบไม่ว่าปัญหานั้นจะดีหรือร้ายเราจะสามารถแยกแยะปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยปัญญาอันฉินชอบนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเพียงแค่นั่งหลับตาเฉยแต่ต้องรู้ว่าเมื่อหลังจากปฏิบัติไปแล้วเรานำธรรมะเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างไรในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งในปัจจุบัน จิตใจของคนเรานั้นรู้สึกว่าจะมีความเปราะบางพอเจออะไรกระทบนิดนิดหน่อยๆก็จะไม่สามารถที่จะแยกแกะได้จนเป็นการเกิดปัญหาตัดสินปัญหาที่สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินตามที่เป็นข่าวอยู่ตามสื่อต่างๆฉะนั้นการฝึกใจให้มีความเข้มแข็งให้มีกาลังใจที่มั่นคงเพื่อรองรับ สภาพที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจที่เราไม่คาดฝันนั้นเมื่อเราฝึกดีแล้วอย่างนี้เราก็จะสามารถผ่านหรือฝ่าวิกฤตหรือมรสุมชีวิตเหล่านั้นได้นี้เป็นผลของการคลุ้มครองจากธรรมปฏิบัติเพียงแค่เบื้องต้นที่สาธุชนจะได้รับจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ดีแล้ว ฉะนั้นสาธุชนผู้กําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสูสันติอยู่ในขณะนี้เมื่อได้รับรู้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ชําระจิตใจให้ผ่องใสยอย่างนี้แล้วจงมั่นฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองเนืองๆ น, น, นั่นแหละสักวันหนึ่งจิตใจของท่านเมื่อได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้ ดังมีพระพุทธพจน์หรือพระบาลีรับรองว่าจิตตังทันตังสุขาวหังแปลความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อจิตเราได้รับการฝึกฝนให้หยุดให้นิ่งสติปัญญา อันเห็นชอบก็จะเกิดและเจริญขึ้นณภายในซึ่งจะเป็นตัววินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆในการดําเนินชีวิตของคนเรานั่นเองรวมทั้งในการปกครองในการดูแลในการบริหารจิตการต่างๆที่แต่ละท่านกําลังดําเนินดําเนินไปอยู่อย่างถูกต้องตรงตรงประเด็นนี่แหละธรรมะสามารถที่จะ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้รายการธรรมะส่สติก็นาสารธรรมต่างๆทั้งธรรมะบรรยายธรรมะปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเืทวตามนาํนำมาสรุปให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะสาธุชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ตลอดระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นไปอยู่เราจะได้พึ่งพาแสงประทีปแห่งพุทธธรรมนั้นเป็นเครื่องส่องทางในการดำเนินชีวิตสาหรับรนี้รายการธรรมส่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ<ม>ก่อนจากกันวันนี้<ม>อาตมาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตน์ไตร คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญบา ร, รมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีะสดจันทสโรขอจงมารวมกันเป็นตะวะเดชะพลวะปัจใจส่งผลรบนบนดาลให้สาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน จริ่นรุงเรอนในพระสัตยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจิจการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสีและพระนิพพานหนึ่งฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวทุกท่านทุกคนเพลินเจริญพร